แต่ถ้าสําหรับคนไม่มีบุญการได้พบเห็นพระรูปของพระองค์ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาต่อไปการได้ฟังเสียงของพระองค์ก็ชื่อว่าเป็นบุญวาสนาต่อไปเนี่ยนะหมายก็ว่าเห็นด้วยศรัทธาฟังด้วยศรัทธาหรือว่าระลึกทรงจําพระธรรมคําสอนต่างๆของพระองค์ด้วยศรัทธาเนี่ยนะการที่เขาระลึกทรงจําพระธรรมคําสอนต่างๆด้วยศรัทธา สิ่งเหล่านั้นนั่นแหละจะเป็นบุญวาสนาต่อไปในอนาคตเพราะผู้ที่เงี่ยโสดลงฟังไฟที่จะรู้ไฟที่จะรู้ก็คือฝ่ายที่จะเจริญปัญญาถ้าไฟที่จะรู้ก็แปลว่าไฟที่จะมีสัมมาทิฏฐิไฟที่จะคิดตามก็แปลว่าไยที่จะมีสัมมาสังกัปปะไฟที่จะพูดตามน้อมไปเพื่อจะพูดตามก็แปลว่ามีสัมมาวาจาพร้อมที่จะทําตามเขาก็เป็น ผู้ที่มีสัมมากรรมมันตะทั้งทำตามผู้ตามแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่ต่อไปได้อันนั้นก็เป็นสัมมาอาชีวะเขาทำด้วยความไม่เกียจคร้านเลยแสดงว่าเขาฝักฝ่ายในเรื่องความเพียรเขาทำแบบเขาเอาใจใส่เนี่ยนะไม่เผลอเรอไม่ประมาทไม่ลุ่มหลงอันนี้นก็เขามีสติเนี่ยนะแล้วทำด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งมั่นนะมีปณิธานที่ชัดเจนแล้วก็แน่วแน่นะไม่แตกกระสาสัานส้นเซน อุปนิสัยเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ของเขาเนี่ยนะเพราะการเจริญตามการไฝ่ที่จะรู้ตามเห็นตามคิดตามผู้ตามเนี่ยนะก็สามารถทําให้ตรัสรู้ตามเรียกว่าผู้อนุพุทธะเนี่ยนะพุท ธ, ธแะแปลว่าการตรัสรู้อนุพุทธะก็คือพวกตรัสรู้ตามเพราะใยที่จะรู้ตามใยที่จะเห็นตามเพราะคนที่ฟังธรรมศึกษาพระธรรมนั้นอะนะ ต้องใส่ใจอยู่เสมอว่าเราจะรู้ตามได้อย่างไรเราจะเห็นตามได้อย่างไรเราจะพิจารณาตามนั้นได้อย่างไรและที่สำคัญก็คือเราเราต้องปลูกฝังทัศนคติว่านั่นเป็นคุณธรรมที่นำออกจากทุกขความรู้ความเห็นเหล่านี้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นที่ถูกต้องนั้นบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นไปเพื่อความ รู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นเจริญสัมมาทิฐิเจริญความรู้ความเข้าใจเหล่านี้อาศัยวิเวกอาศัยอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละน้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานมันต้นทุนคือสัมมาทิฐิน้อมไปเพื่อบรรลุผลคือสามัญญผลทั้งหลายเนั้นการเจริญสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปะเป็นต้นนี่แหละเรียกว่าประพฤติสมณะธรรม ไงนะประพฤติสมณธรรมเรียกว่าธรรมที่สงบพันสิกขาสามอริยมรรคมีองค์แปดเรียกว่าสมณะธรรมธรรมเครื่องสงบสงบอะไรสัมาทิถิิสงบมิจฉาทิฐิสัมาสังกัปปะสงบมิจฉาสังกัปปะสัมมาวาจาสงบมิจฉาวาจาสัมากรรมันตะสงบมิจฉากรรมันตะสัมมาวายามะเอ่อสมาอาชีวะสงบมิจฉาอาชีวะสมมาวายามะเอ่อสมา วายามะสงบมิชฉาวายามะสัมมาสติสงบมิชฉาสติสัมมาสมาธิสงบมิชฉาสมาธิหรือสงบความฟุ้งซ่านเนี่ยนะสงบความฟุ้งซ่า น, า ม, านมันพวก่กุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะชื่อว่าเป็นคุณธรรมที่น้อมไปเพื่อ ความสงบจากราคะโธสะและโมหะเป็นคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อความฟุ้งซ่านเป็นคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อความเดือดร้อนความเรา่าร้อนนั้นคุณธรรมเหล่านี้ที่บุคคลตั้งไว้นะตั้งไว้เพื่อให้ตั้งเอาไว้นี่แหละเรียกว่าอาวัชนะตั้งเอาไว้ในใจเนี่ยนะส่งเอาไว้ในใจน้อมไปเพื่อให้คุณธรรมเหล่านี้เติบโตยิ่งขึ้นเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้ตามที่พระองค์ นะเราก็สามารถที่จะรู้ตามเห็นตามเพราะมีจิตใจที่ฝักใฝ่น้อมไปเพื่อรู้ตามน้อมไปเพื่อเห็นตามการที่มีจิตใจอธยาสัยฝักใฝ่เพื่อรู้ตามเห็นตามถึงจะช้าแต่ก็ตรัสรู้ตามเพราะอะไรเพราะตั้งไว้ตามแล้วแต่ถ้าตั้งไว้ผิดเนี่ยนะถึงจะรีบเร่งขนาดไหนมันก็ผิดอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ตามก็บอกว่าอา้าว มันก็สามารถตรัสรู้เองได้สิเพราะเป็นพระปัเจกเป็นต้นพระปเจกก็ตรัสรู้ในสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะฮะการเห็นอริยสัจก็ต้องเห็นปีละนะปีละนะเห็นสันตาปะวิปริณามะเห็นสังคตะเห็นอายุหะนิธานะปริโพธาสังโยคะเห็นนิสรณะอมตะเนี่ยนะเห็นธรรมะที่เป็นวิเวกเห็นธรรมะที่ประณีตเนี่ยนะมัน ข้อปฏิบัติมันข้ออันเดียวกันก็คือข้อปฏิบัติที่เป็นนิยานิกะนําออกจากทุกข้อปฏิบัติที่เป็นทัศนะคือเห็นและคนนั้นจะต้องมีเหตุเนี่ยนะเหตุเหตุเป็นเครื่องตรัสรู้พระนิพพานแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รวบรวมคุณธรรมเนี่ยมากมายจึงจะเกิดการตรัสรู้เพราะคนที่ไม่มีคุณธรรมตรัสรู้ธรรมคืออริยมรรคไม่ได้หรอกเนี่ยนะหรือตรัสรู้พระนิพพานไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะถ้าเรา ตั้งจิตไว้เพื่อศึกษาตามเพื่อรู้ตามเพื่อเห็นตามคุณธรรมทั้งหลายก็จะเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปไอการเพิ่มพูนคุณธรรมเท่าใดแปลว่าเราก็ใกล้ความดับทุกข์เท่านั้นเราก็ใกล้ต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเพราะคนที่เจริญกุศลธรรมทั้งหลายจึงไม่สันโดษในการให้กุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่สันโดษในกุศลจิตที่เกิดขึ้นเลยพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษนั้นสอนให้สันโดษในมหาภูตรูป สอนให้สันโดษในสีเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทั้งหลายที่ระวังอย่าทำให้มันรกโล ก, กนเพราะงั้นนะแต่ว่าสําหรับคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยพระองค์มีแต่สอนให้เจริญให้ภาคเพียรเพราะคุณธรรมทั้งหลายนําออกจากทุกบุคคลเหล่าใดเกาะอยู่ในสีเสียงเกลิ่นรสโภตาพะทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นก็หมกมุ่นอยู่ในรูปเสียงเกลิ่นรสทั้งหลายไม่พ้นจากทุกข์หลอกส่วนบุคคลที่เกาะอยู่กับศรัทธาวิรยิยสติสมาธิแล้ว ปัญญาคุณธรรมเหล่านี้มันเจริญไปยังไงก็เป็นคุณธรรมที่นําเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่แล้วพราัน้าเกาะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็เท่ากับว่าบุคคล น, นั้นเกาะต่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้ถ้าเจริญถูกต้องตามคําสอนน้อมไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวเนี่ยนะมันสําคัญที่สุดก็คือเราน้อมใจที่ นน้อมใจไปหาพระพุทธเจ้าขนาดไหนน้อมใจไปหาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแค่ไหนแล้วก็ฝักใฝ่ที่จะเป็นพระอริยเจ้าจริงหรือไม่เนี่ยนะถ้าเรามีความฝักใฝ่จริงแล้วความจริงเหล่านั้นเราคิดว่าเรามั่นใจว่าทาได้ไหมสะดวกใจที่จะเจริญสะดวกใจที่จะทำตามนั้นจริงไหมหรือว่ายอมสู้อดสู้ทน ยอมเจริญต่อไปมันถ้าเจริญด้วยความสะดวกใจด้วยความสบายใจพวกนี้ก็เป็นประเภทสุขขาปฏิปทาแต่ถ้าเจริญแหมมันมีเรื่องอุปสรรคเยอะเหลือเกินเนี่ยนะมีเรื่องลำบากใจเนือยๆพวกนี้ก็เป็นทุกขขาปฏิปทาแล้วแต่ว่าถ้าบุญมากปัญญาเยอะก็ตรัสรู้เร็วถ้าบุญน้อยปัญญาน้อยพวกนี้ก็ตรัสรูช้ช้ามันบางพวกปฏิบัติสบายบางพวกตรัสรู้เร็วบางพวกตรัสรูช้ช้ากลุ่มที่ปฏิบัติ ลำบากบางพวกตรัสรูเร็วบางพวกตรัสรูทช้าก็สุดแท้แต่บุญวาสนาที่สั่งสมมาแต่บางคนก็บอกโอ้แล้วแต่โยนให้ของเก่ า, เ, าเรารู้ได้ยังไงว่าของเก่าเราทํามาดีหรือไม่ดีนะถามว่าตรวจสอบได้อย่างไรว่าเราว่าเรามีบุญเก่ามาดีหรือไม่ดีรู้ได้ยังไงบอกไม่ยากก็ดูที่ความตั้งใจใหม่ๆถ้าตั้งใจใหม่ๆแรงแสดงว่าของเก่าสั่งสมมาดีถ้า ใหม่ๆนี่เฉยเลอกเกินเนี่ยนะแฉะเฉมไปวันๆหนึ่งก็แสดงว่าไอ้ของเก่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะมันก็สมควรแถ้าของเก่ามาดีของใหม่ๆมันก็จะแรงขึ้นเนี่ยนะเพราะคุณธรรมทั้งหลายก็เติบโตขึ้นไอ้คุณธรรมที่เติบโตขึ้นเรียกว่าภาวนาแต่ถ้าหากว่าแม้เฉยเลอกเกินวันๆหนึ่งแล้วก็โยนให้แต่บุ ญ, บญเก่า ว, วาสนาเก่าไอ้คนนั้นไม่มีรหรอกเชื่อแต่พูดอย่างนี้บ่อยๆแปลว่าไม่มีของเก่าแต่ถ้าคนที่เพียรอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าของเก่ามีมาก เขาสั่งสมไม่ดีมากเขาจึงขวนขวายเขาจึงภาคเพียรอุตสาหะเขาจึงพยายามเนี่ยนะจึงพยายามขณะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบุญเก่ามากเนี่ยพราะเพระอาะอแบบปล่อยชีวิตไม่บอกเออเดี๋ยวเราก็คงตรัสรู้นะฮะเราก็รออยู่ที่วังไปเรื่อยๆเพราะเราสั่งสมบุญไว้เยอะแล้วเนี่ยเราก็ตรัสรู้แล้ ว, ลลวเดี๋ยวก็เราก็ตรัสรู้แล้วเพราะเรามีของเก่าเยอะมีบุญเก่าสั่งสมไว้เยอะตรงกันข้ามคนที่มีบุญเก่ามากเท่าไหร่ยิ่งไม่ประมาทนะ สังเกตดูว่าบุญเรามากหรือบุญเราน้อยก็ดูว่าขยันมากหรือเปล่ามีศรัทธา ม, มากแปลว่าของเก่ามาเยอะนะถ้ามีความเพียรมากก็แสดงว่าของเก่ามาเยอะบุญเก่านี้ทมามาํมทบบามามากมีปรกเพกตปุญญตามามากถ้ามีสติสัมปชัญญะมากมีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นดีแสดงว่ากลมเหล่านี้ทําไปเยอะและคนที่ทําไม่น้อยละ่ะทาไม่ตั้งตอนนี้แล้วเมื่อไหรล่ล่ะเพราะว่าขณะนี้มันจะเป็นอดีตของต่อข้างหน้าแล้วนะ เวลานี้วินาทีนี้จะเป็นอดีตของนาทีข้างหน้าจะเป็นอดีตของชั่วโมงข้างหน้าเป็นอดีตของวันข้างหน้าเดือนข้างหน้าปีข้างหน้าชาติหน้าต่ อ, ต, อต่อไปวันตรงนี้แหละมันจะเป็นปุเพกะตะปุญญาตาหรือไม่เนี่ยนะก็อยู่ที่ขณะนี้ชีวิตขณะนี้กุศลจิตทำทำขึ้นได้ไหมเจริญขึ้นได้ไหมทำศรัทธาให้มีให้มีความมั่นคงในพะรัตนไตรในขณะนี้ได้ไหม ทำความเพียรตั้งใจที่จะเจริญตามคําสอนเนี่ยมากไหมระลึกถึงคําสอนใส่ใจคําสอนแค่ไหนฟุ้งซ่านมากไหมเนี่ยนะแล้วเข้าใจคําสอนว่าอย่างไรเป็นต้นอันนี้มันจะเป็นของเก่าของต่ อ, ต, อต่อไปเพราะโลกเนี่ยนะไอะ้โลกความเป็นไปของโลกโลกคือชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยมันก็มีเป็นอดีตไหลอดีตไหลามาสู่ปัจจุบันแล้วปัจจุบันก็จะไหลไปสู่อนาคตคนที่มีบุญเก่ามาม า, มากแสดงว่าอดีตสั่งสมมาเยอะเนี่ยนะ อดีตสังสมไว้เยอะั้านปัจจุบันจึงมีเรี่ยวมีแรงมีพลังมีศรัทธามีวิริยะมีปัญญาแต่ถ้าหากว่าแหมของเก่ามันน้อยทำไมมันไม่ฉลาดเป็นต้นเลยก็แสดงว่านี่แหละเป็นเวลาที่จะเพาะปลูกสติปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็มาคอยวัดดูอีกสิบปีข้างหน้ายี่สิปีข้างหน้าชาติหน้าหลายสิบชาติข้างหน้า กลับข้างหน้าหลายแสนกลับข้างหน้าเป็นต้นต่อไปมันก็ฉลาดขึ้นไปเองแหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตแต่ละขณะจิตเนี่ยนะอย่าประมาทชีวิตแต่ละทวารทวารตาก็อย่าประมาทเนี่ยนะทวารหูก็อย่าประมาททวารจมูกทวารลิ้นทวารกายอ่าแล้วก็ทวา น, นึกคิดทั้งหลายเราก็จะได้ประมาทเพราะบุญกระบาบมันก็ไหลมาตามทวารเหล่านี้พันคนที่สามารถสังวรเนี่ยนะ เกียดการบาปออกไปจากทวาลต่างๆได้สา ม, มารถสร้างสถิติที่เป็นบุญขึ้นในใจได้มากยิ่งขึ้นเท่าใดอันนั้นก็เป็นเป็นอะไรเป็นการสั่งสมบุญขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะบุญก็จะเจริญโดยอาการอย่างนี้ถ้าบุญเจริญไม่ต้องห่วงว่าเพราะบุญเจริญเท่าใดก็ละบาปได้เท่านั้นถ้าบุญไม่เจริญขึ้นเลยเนี่ยเครื่องเช็คเนี่ยนะเครื่องตรวจสอบว่าเราเนี่ยละหะได้เท่าไหร่สังเกตดูว่าเราเจริญได้เท่าไหร่ เราเจริญได้เท่าไหร่ก็ดูว่าเราละอะไรได้บ้างวิธีสังเกตเนี่ยนะเราเจริญมากก็แปลว่าเราละได้เยอะถ้าละอะไรไม่ได้เลยแปลว่าเราไม่ได้เจริญอะไรเลยมันก็มีอยู่อย่างนี้เพราะสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ศรัทธากับความไม่มีศรัทธาเป็นปฏิปักิต่อกันวิริยะกับความเกียจคร้านเป็นปฏิปักิต่อกันสติกับความประมาทเป็นปฏิปักิต่อกันความฟุ้งซ่านกับสมาธิก็เป็นศัตรูกันปัญญากับความโง่เขลาวิชากับอวิชาเป็นศัตรูกันถ้าห่างบาปแสดงว่าใกล้บุญถ้าห่างบุญก็แปลว่าเกลือกกล้วอยู่กับบาป บางคนก็บอกสัลวงสัวงเขาว่ากัน้นแต่ว่าบุญก็ไม่ใช่จะว่าบาปก็ไม่ใช่มันสัลวงสัลวอึมครึมเเมฆหมอกมันบางเหลือเกินก็แปลว่าค่อนข้างไปทางบาปอย่าง น, น, น, นั้นนะถ้าเป็นบุญก็เป็นบุญประเภทบุญอะไรนะบุญรอวันเสื่อมบุญกําลังเสื่อมเนี่ยนะบุญที่กําลังเสื่อมถ้าบุญกําลังเสื่อมจะไปยังไงเนาะเนี่ยนะะยังไงก็ช่างเถอะ ตามันจะเสื่อมแต่บุญก็อย่าเสื่อมก็แล้วกันบางคนเอา้าบุญก็ไม่เที่ยงเออไม่เที่ยงเงี่ยถ้าบุญเสื่อมนะเมื่อตกนรกนั่นแหละนะถ้าบุญเสื่อมแปลว่าอะไรแปลว่าบาปเจริญนะนะถ้าศรัทธาลดลงศรัทธามันก็ไม่เที่ยงอนะแต่ถ้ามันเกิดน้อยอ่ะไรนะแก้แหวนเงินทองมันก็ไม่เที่ยงแหละแต่ถ้ามันไม่มีไรายได้เลยก็แปลว่าอะไรมันไม่มีเงินก้อนไหนมันเที่ยงหรอกมันก็ได้มาใช้ไปอย่างนั้นแหละแต่มีแต่จ่ายไม่มีเข้าอะไรจะเกิดขึ้น ศรัทธาก็เหมือนกันซึ่งเป็นอริยรัพย์เราจะเปิดทวารตายังไงให้ศรัทธาแม้เราเห็นยังไงให้อริยสัพย์มันเจริญเห็นยังไงดูอะไรให้ศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเจริญขึ้นจะฟังอะไรให้มันเกิดศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเพิ่มยิ่งขึ้นเรียนอะไรฟังอะไรดูอะไรจึงจะเจริญด้วยสุตะจากขะและปัญญาเนี่ยนะมันถ้าถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสาระเนี่ยนะถือสิ่งเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติ แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเพื่อความสงบระงับดับชราและมรณะเนี่ยนะก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าการศึกษาการเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติก็เพื่อดับชราและมรณะปัจจุบันพระพุทธเจ้านี้พระองค์ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับชรามรณะ น, นะนะแล้วพระองค์ก็บอกวิธีการเจริญดังที่กล่าวไปแล้วเจริญศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับชรามรณะพระองค์ก็บอกสอนแนะนําวิธีปฏิบัติเพื่อดับ การเกิดเนี่ยนะดับชาติพรองก็บอกสอนศรัทธาเป็นต้นเพื่อดับอะไรดับพบเนี่ยนะดับกรรมมาพบแล้วก็ดับอุปาติพบพรองก็บอกสอนวิธีเจริญศรัทธาทํายังไงทำลายกายสังเจตนาได้เนี่ยนะทำยังไงตัดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมออกไปทํากรรมที่เคยมีมาแล้วในอดีตทั้งหมวลให้กลายเป็นกิริยาเนี่ยนะทํายังไงทําให้กรรมเนี่ยหมดสภาพให้กรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะ เป็นชนะกรรมนําเกิดได้ทําให้กรรมเหล่านั้นไม่สามารถมาเป็นอุปปีละกรรมอุปธรรมพรกรรมหรืออุปคาตกรรมก็เข้าไปตัดกรรมเพราะกรรมนี่มันให้ผลเป็นชาติให้ผลเป็นภพให้ผลเป็นชาติให้ผลเป็นชรามรณะมั้นปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะผมก็บอกวิธีสอนบอกแนะนําคําสอนที่เพื่อดับชาติชราและมรณะเนี่ยนะฟันดับกรรมแล้วถามว่ากรรมเนี่ยทำไมกรรมมันจึงให้ผลก็มาจากตันหาและ กุปาทานแล้วต้องมีคุณธรรมอะไรจึงจะดับตันหาได้ตันหาเปรียบเหมือนความหิวแล้วเราจะบริโภคอะไรให้หายหิวให้ดับสนิทได้ตันหาเป็นสิ่งที่ริ่งบริโภคยิ่งหิวยิ่งบริโภคยิ่งกระหายยิ่งเพิ่มยิ่งกระหายไม่เชื่อลองไปดื่มน้ําทะเลดูว่างั้นน่ะนะเดิมไปเถอะเดิมให้มันอิ่มเต็มที่แป๊บเดียวก็ยิ่งยิ่งดื่มยิ่งหิวยิ่งดื่มยิ่งกระหายดื่มเท่าไหร่ดื่มให้หมดทะเลก็ไม่ได้ลดความกระหายให้ปลามันกรองกรองเป็นน้ําจืดได้ไงนะ หมอมันกรองได้ใช่ไหมะนะดูว่าปลามันกรองเป็นน้ําจืดแล้วมันจึงดื่มได้นะแสดงว่ามันต้องกรองได้อะไรบงอย่างเนี่ยถ้ามันดื่มแต่เกลือเข้าไปอย่างเดียวมันก็จะเป็นปลาอะไรนะปลาอบเกลือปลาแช่เค็ม่ะนะแต่แสดงว่ามันไม่ได้ดื่มน้ําเค็มหรอกมันจึงไม่ได้เป็นปลาแช่เค็มจริงๆนะ